ไม่ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมใดๆต่อไปอีกอ้างพุทธพจน์ในสันเลขสูตรมัชฌิมานิกายมุลปัญธาดว่าฌานเหล่านี้เรียกว่าเป็นเทตธรรมสุขวิหารในอริยวินัยคือเป็นเทตธรรมสุขวิหารในระบบของอริยชนหรือแบบแผนของพระอริยะ 2. เป็นบาทหรือเป็นประทัดฐานแห่งวิปัสสนาข้อนี้